กุทธกนิกายสุตตนิบาตมหาวัชที่สามี่สิบปัปพัชชาสูตรสูตรนี้พระอานนุ์เป็นผู้กล่าวเป็นคาถาพรนาการเสด็จออกผนวดของพระพุทธเจ้าจนถึงตอนเสด็จผ่านไปยังเมืองราชครืพระเจ้าพิมพีสารทอดพระเนตรเห็นทรงสนพระไทยเสด็จเข้าไปสนทนาด้วยแล้วทูลอารัธนาให้สวยราชด้วยกัน 28. ประธานสูตรพระพุทธเจ้าเมื่อ ย, ยังไม่ได้ตรัสรู้ทรงบำเพ็ญเพียใรใกล้แม่น้ำเนรัญชราพญามารมาพูดเกลี้กล่อมให้เลิกความเพียรพระองค์ตรัสตอบว่าพระองค์ยอมตายดีกว่าจะยอมแพ้แก่กิเลสพญามารเสียใจที่ไม่สามารถเอาชนะพระองค์ได้ 29. สุภาษิตสูตรว่าด้วยสุภาษิตต้องประกอบด้วยองค์สี่คือพูดดีพูดเป็นธรรมะพูดเป็นที่รักและพูดจริงส0สสุนทริกสูตรรามสุนทริกะภาระพวชะทูลถามว่าพระองค์เป็นชาติอะไรพระองค์ตรัสว่า อย่าถามถึงชาติเลยจงถามถึงความประพฤติเถิดไฟไม่ว่าเกิดจากไม้ชนิดไหนก็มีเปลว เ, เหมือนกันคนเกิดในตระกูลต่ำแต่มีปัญญามีหิริกิดกันจิตจากความชั่วมีวิจารณญาณก็เป็นคนดีได้ส1มาคะอมาสูตร มาคะมานพทูลถามว่าผู้ต้องการบุญควรบูชายันอย่างไรพระองค์ตรัสแนะให้ทำบุญแก่ผู้ที่มีคุณสมบัติที่ดีงามเช่นละสังโยชน์ได้ 32. สาสิสองสพิยะสูตรสพิยามานบไปถามปัญหากับครูทั้งหกไม่พอใจในคำตอบ จึงเป็นคถามพระพุทธเจ้าถึงคุณสมบัติของภิกษุว่ามีอะไรบ้างพระองค์ทรงอธิบายให้ฟังเช่นผู้ที่ดับกิเลสได้ด้วยมรรคข้ามพ้นความสงสัยละความมีความเป็นได้อยู่กับพรหมจรรย์เรียกว่าภิกษุส3เสลสะสูตรเนื้อความซ้ำกับเสละสูตรในมัชฌิมานิกาย ประไตรปิดกเล่มที่ส3บสาสสันลสูตรสูตรว่าด้วยลูกสอนคือความโศกพันนาว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนความเศร้าโศกพิรัยรำพันไม่มีประโยชน์อะไรผู้รู้ธรรมดาของชีวิตอย่างนี้แล้วถึงถอนลูกสอนคือกิเลสแล้วจะเป็นผู้ไม่เศร้าโศก ส5สิห้าวาเสฐสูตรสูตรนี้ซ้ำกับวาเสฐสูตรมชิมานิกยพระไทรปิดกเล่มที่สิบสาม 36. โกลาลิกสูตรกล่าวถึงพระโกลาลิกะสิทธิพระเทวทัตกล่าวร้ายพระสาริบุตรและพระโมคคัลลานะถูกตักเตือนแล้วไม่ยอมเลิกราในที่สุดก็ป่วยหนักเป็นโรคผู้พอง หลใหญ่ขึ้นทุกทีจนต้องนอนใบตองถึงแก่มรณะข้อความนี้ซ้ำกับทัศกนิบาตอังคุตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่24 3สิบสีนาละกะสูตรพระนาละกะหลานชายอสิตะดาบทถามเรื่องโมนยะปฏิบัติคือข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นมุนี รพระอุทธเจ้าอธิบายให้ฟังเป็นต้นว่าต้องเป็นผู้มั่นคงเห็นการด่าและการไหว้เหมือนกันคือไม่ยินดียินร้ายรักษาใจให้สงบละกามไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนสัตว์เป็นต้น 38. ทวายตานุปัสนาสูตร สูตรนี้สอนให้พิจารณาธรรมะเป็นคู่คู่เช่นพิจารณาถึงทุกข์กับเหตุเกิดทุกข์คู่หนึ่งหรือพิจารณาความดับทุกข์กับทางดับทุกข์คู่หนึ่งเป็นต้นเท่ากับให้รู้จักพิจารณาโดยแยบคายมองอะไรก็ให้มองสองด้านคือด้านเหตุและด้านผลหรือแง่บวกกับแง่ลบ อัตกะวักที่สี่สามสิบเกาการมสูตรัสถึงโทษของกามและสอนให้งดเว้นกามทั้งหลายอย่าตกอยู่ในอำนาจของมันดังเช่นเรือรั่วปล่อยให้น้ำเข้าควรตั้งสติให้ดีวิดน้ำซึ่งหมายถึงกามออกพยุงเรือซึ่งหมายถึงจิตใจของตัวเองให้ลุถึงฝั่ง ส0สิคุหัตกะสูตรสูตรเปรียบเทียบคนติดอยู่ในถ้ำโดยใจความสอนให้รู้จักโทษของกามแล้วเลิกความยึดมั่นถือมั่นมีข้อความไพเราะกินใจหลายตอนเช่นท่านทั้งหลายจงดูเหล่าชนที่ยึดมั่นว่าของฉันของฉันกำลังดิ้นรนอยู่เหมือนปลาในแอ่งน้ำน้อยที่แห้งขอด ส1สเอ็ดสุดทัรนคะสูตรว่าด้วยไม่ให้ถือความเห็นของตนเท่านั้นยอดเยี่ยมเช่นถ้าเห็นว่าครูของตนเป็นต้นประเสริฐที่สุดผู้อื่นนอกจากครูของตนเลวหมดเพราะถ้าถืออย่างนี้ไม่พ้นทะเลาะวิวาทกันส2สิบสองเช่าราสูตรสูตรนี้ว่าด้วยความแก่ แสดงให้เห็นว่าชีวิตนี้มีน้อยนักอย่างมากคนเราก็อายุหนึ่งร้อยปีก็ตายถ้าอยู่เกินหนึ่งร้อยปีย่อมตายเพราะความแก่โดยแน่แท้สูตรนี้สอนให้พิจารณาถึงธรรมดาของชีวิตสี่สิบห้าติดสเมเตยะสูตรพระพุทธเจ้ารัสสอนติดสเมเตยะมนกเรื่องโทษของกาม ควรศึกษาวิเวก46ปะสูรสูตรสูตรนี้ตรัสสอนปริภาชกชื่อปะสูระว่าการยึดติดในสัจจะเฉพาะอย่างคือในความจริงบางแง่บางส่วนย่อมโต้เถียงกันไม่สิ้นสุด47มาคันทิยะสูตร รัสสอนมาคันธียะพราหม์ว่าพระองค์ไม่ใหญ่ดีพวกที่ดามานที่มายั่วยวนไม่จำต้องพูดถึงทิดาที่สวยงามของเขาข้อนี้คือพราหม์บอกยกลูกสาวให้พระพุทธเจ้ารัสแสดงความน่าเกลียดของกายและสอนให้ละมานะทิฐิ48ปุราเพศสูตร ตอบคำถามคนมีความเห็นอย่างไรมีปกติอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นผู้สงบโดยชีย้ไปที่การละตัณหามานะยิฐิเป็นต้นได้ก่อนสรีระจะแตกดับคือก่อนตายหมายความว่าผู้สงบที่แท้จริงคือพระอระหรันต์กลหวิวาทสูตร ตรัสสาเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทว่ามาจากความรักความรักมาจากความพอใจเป็นต้นคนที่มีวาทะว่าขาดศูนย์ก็ทะเลาะกับคนที่มีวาทะว่าเที่ยงแต่พระอรหันต์ผู้หลุดพ้นแล้วไม่ทะเลาะกับใครห้าสิบจุลวิยุหสูตรตรัสสอนว่า การยึดมั่นถือมั่นในหลักทฤษฎีของตนทำให้เกิดการดูถูกความเห็นคนอื่นว่าใช้ไม่ได้ความจริงแท้มีอย่างเดียวเท่านั้นที่เห็นกันไปต่างๆนั้นเพราะคนไม่รู้จริงผู้ที่รู้จริงไม่ได้โตเถียงและไม่ทะเลาะกับใครห้บอมหาวิญาหะสูตรข้อความคล้ายกับสูตรข้างตน้น สอนให้เห็นโทษของการทะเลาะวิวาทและไม่ให้ยึดมั่นในความเห็น 52. ตุวะตะกะสูตรตรัสสอนผู้ที่ละปะปัญจัดสังขาได้คือตัญหามานะและทิฐิก็นับว่าเป็นผู้สงบแท้จริงในวงเล็บนิพพาติ 53. อัตตทันทสูตร แสดงความสลดสังเวชรไทยที่ทรงเห็นหมู่สัตว์ดิ้นรนด้วยตันหาและทิฐิดุดปลาในหนอง น, องน้ำแห้งขอร์ดภัยมาถึงตัวแล้วยังไม่รู้สึกมัวแต่ทะเลาะวิวาทกันอย่างไร้แก่นสาร 54. ส า, ร ส, รรสาวรีบุตรตสูตรพระสารีบุตรกล่าวโต้ตอบกับพระพุทธเจ้าว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุที่ดีเช่น อดทนต่อสัมผัสของเหลือบยุงเป็นต้นภาคเพียรพยายามแผ่เมตตาไปยังหมูสัตว์ทั้งหลายไม่ลุ้อำนาจแห่งความโกรธและการดูหมิ่นคนอื่นเป็นต้นปารายนาวักวักที่ห้าว่าด้วยการตอบปัญหาของมานพสิบหกคนที่ไปทูลถามพระพุทธเจ้ารวมเป็นสิบหกสูตรคำถามและคำตอบ เกี่ยวกับวิธีการทำให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งสิ้น